อันนั้นนัญร้อนกลับมาว่าถ้าเจริญอ น, นิจจานุปัสสนาได้บริบูรณ์เนี่ยนะอ น, นิจจานุปัสสนาที่เจริญเติบโตบริบูรณ์เต็มที่ก็เนื่องจากศรัทธาเนี่ยดีนะมีศรัทธาวิริยสติสมาธินะเป็นตัวอุดหนุนเป็นอย่างดีเพราะว่าชื่อว่าภาวนาก็มีความหมายว่าอินทรีย์ทั้งหลายมีกิจเป็นอย่างเดียวกันในขณะที่เจริญอ น, นิจจานุปัสสนาเนี่ยนะเพียงแต่ว่าอ น, นิจจานุปัสสนาหรือตัวปัญญานี่เป็นตัวนํา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 ศรัทธาเนี่ยนะมีศรัทธาที่ใดกล่าวอ น, นิจจานุปัสสนาที่นั่นให้รู้เธอว่าบวกกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็บวกสติปัฏฐานอยู่ในศัพท์อยู่แล้วเน่นะเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานและธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยนะอนิจจานุปัสสนาก็คื อ, อ, อตามเห็นความไม่เที่ยงของกาย ตามเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาของจิตของธรรมะหรือเห็นความไม่เที่ยงของรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณถ้าเห็นตามเห็นความไม่เที่ยงของรูปเรียกว่าอนิจจาอะนะหรือเอ้ยถูกข้อไปกายานุปัสนาสติปัฏฐานหรือกายาอนิจจาณุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยนะเวทนานิจจาณุปัสนาสติปัฏฐานก็คือตามเห็นความไม่เที่ยงของกายเนี่ยนะตามเห็นความไม่เที่ยงของเวทนา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 ไม่เที่ยงตามความเป็นจริงเนี่ยนะรูปไม่เที่ยงตามความเป็นจริงกับคิดแช่งรูปเหมือนกันไหมเนี่ยนะก็คนเราปกติตายแน่นอนใช่ไหมก็เออเข้าใจว่าเออสัตย์ที่เกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีกลับแช่งให้มันตายวันตายคืนอันนี้คนละอย่างเลยใช่ไหมคนที่เจริญวิปัสสนามไม่ใช่คนแช่งนะ ไม่ใช่เป็นคนที่เรีว่าพยาบาทหรืเดี๋ยวมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็อย่างนั้นอันนี้นก็ไม่ใช่แต่เข้าใจว่าเออไอคําว่าไม่เที่ยงนี่มันมาอายุใช้งานของสิ่งเหล่านั้นนะก็คือมองทุกอย่างโดยอายุไขของสิ่งนั้นอายุของกรรมชรูปเช่นอายุของกรรมชรูปควรจะเท่าไหร่ก็เข้าใจในหลักกรรมชนะ ก, ะกรรมอุปธรรมพระกรรมอุปปีรกรรมและอุปคาตกรรมอายุของจิตชะรูปละ่ะอายุของจิตชะรูป กัแล้วแต่พยาจิตราศ์เขาจะว่าไงอะนะเพราะแล้วแต่ใจใช่ไหมถ้าใจมันแน่นอนใจมันขึ้นตรงที่วัตถุและอารมณ์พร้อมทั้งอุปนิสยัยถ้าจิตเปลี่ยนไปรูปก็เปลี่ยนไปนี่ยนะเพราะว่าคนเครียดทั้งวันเราจะไม่ให้ทําหน้าตายิ้มแย้มจะเป็นไปได้ยังไงหน้าตายิ้มแย้มมันขึ้นอยู่ที่จิตเนี่ยนะนะถ้าจิตยังสดใสอยู่ต่อไปหน้าตาก็ยิ้มแย้มไปเรื่อยๆถ้าใจขุ่นัวเมื่อใดก็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 ประมาณตัดน้ําหมดเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ไ ม, ใชไม่ตัดน่ะตัดน้ําด้วยประมาณเจ็ดวันทีนี้ถามว่าถ้าอุตุชโรบล่ะคาดหวังอะไรจากอุตุชลุบใช่ไหมร้อนเกินไปถ้าอุณหภูมิที่เหมาะสมเอออายุอาจจะยืนหน่อยนะพอดีถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนไปปั๊บเนี่ยนะข้างในมันเกิดร้อนขึ้นมาสี่สิบห้าองศาป่วยตายตั้งแต่สี่สิบแล้วมั่งดูท่านนะนะถ้ามันไข้ขึ้นถึงสี่สบองศาทั้งวันเลยเนี่ยนะ อยู่สักเจ็ดวันได้ไหมไปถึงเอาถ้ามันลดมาเหลือแค่ร่างกายอุณหภูมิก็่ยี่สิบองศาก็ตายไปตั้งนานแล้วตายตั้งแต่สิบอะไรนะตายตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดแล้วมั้งยังมันมาถึงยี่สิบหรอกนะทั้งสออะไรเพราะอุณหภูมิในร่างกายเนี่ยมันพร้อมที่จะแปรเปลี่ยนตลอดแล้วไอเตโชทาบเนี่ยไม่ใช่อธิบายในแง่อุณหภูมิแล้วมันเป็นพิษได้ไหมในตัวของมันเองเพราะสารพิษทั้งหลายคืออะไรคือเตโชทาบ อันอุณหภูมิก็รวมทั้งสาพิษในร่างกายมันพร้อมที่จะแปลมาเป็นพิษแค่เรียกว่าภูมิแพ้ใช่ไหมภูมิแพ้มันกัดตัวเองได้พร้อมที่จะเปื่อยได้ทุกที่ไม่น่าเชื่อนั้ําอยู่ๆแล้วมันก็เปื่อยโดยตัวธรรมชาติของมันเองแค่ว่าเราว่ามันเป็นพิษเป็นอะไรพร้อมที่จะเสียหายโดยกรรมมชรูปจิตแตชรูปปรตูชรูปและอาหารชรูปแล้วจะไปคาดหวังอะไรกับรูปว่ามันจะเที่ยงอนาคตหวังอะไรได้จากกรรมมชรูปจะคาดหวังได้อะไรจาก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 ถ้ารูปดีๆเสียหายไปเวทนาก็เสียหายไปด้วยถ้าเวทนาปานกลางแตกทาลายเสียหายไปสิ่งอย่างอื่นอย่างเออเวทนาทั้งหลายเหล่านี้ก็แตกทําลายไปด้วยเนี่ยนะทีนี้ถามว่าเมื่อรูปก็แตกทาลายเวทนาก็แตกทาลายแล้วคาดหวังไม่ว่าสัญญามันจะแน่นอนคาดหวังอะไรได้มั้งว่าสัญญาจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนแปลงเช่นการมาสัญญาจะเรียกว่าวอะไรนะ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 แล้วก็บางอย่างพยาบาทสัญการมสัญญาดับไปพยาบาทเข้ามาแทนเนี่ยนะวิหิงสาสัญญาก็เข้ามาแทนชั้นใดถ้าหากว่าไม่อบรมมาดีๆไม่ตอนหลังตอนท้ายๆในในภาเวตประธรรมก็คือผู้ที่เห็นรูปชื่อว่าภาวนาถ้าไม่ไขควรรูปเวทนาสัญญาสัญญาสงขารไว้จนเพียงพอจริงๆเนี่ยน ะ, นะะการมสัญญามันจะโตเอาตัวเอาเนี่ยนะนะขณะอายุมากขึ้นไม่ใช่การมสัญญามันลดลงเะ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 วิหิงสาสัญญาก็เข้าไปในกลุ่มอากุศลสัญญาทั้งหลายไม่ทํายังไงให้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งกุศลสัญญานี่แหละที่เรียกว่าต้องมาเจริญภาวนาเนี่ยนะให้เป็นอนิจจานุปัสสนาในอารมณ์เหล่านั้นก็ไม่คาดหวังว่ามันจะเที่ยงนะนะจนไม่มีความคาดหวังในรูปว่าจะยั่งยืนแม้แต่นิดเดียวแต่ไม่คาดหวังเลยว่ารูปจะยั่งยืนแม้แต่นิดเดียวว่างั้นเถะแม้โดยที่สุดเท่าปลายมเมล็ดพันธุ์อกาศจะยั่งยืนเนี่ยนะ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 รูปของอะไรนะอะไรที่ที่เรกอะไรนะเพราว่าไอ้ไม่เที่ยงเนีย่ยเขาให้พิจารณาที่ไหนรู้ไหมเขาไม่ให้ไป พ, พ, พิจารณากับพวกศัตรูเราหรอกไอ้พิจารณากับสิ่งที่เรารังเกียจหรอกเขาให้พิจารณากับที่ไหนสิ่งใดเป็นที่รักเป็นที่พอใจเนีย่ยเอาให้เรื่องนี้ไปคิดให้มากที่สุดเนี่ยนะโดยเฉพาะอะไรนะเออแล้วรูปของเราเนี่มันไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารเฉพาะภายในเนีย่ยจกักขุไม่เที่ยงโสตขานาเป็นต้นเนี่ยนะก็หมั่นมาพิจารณาภายในจน จนเพียงพอจนเลเิก เ, เ, เข้าใจผิดแล้วว่ารูปรูปภายในจะเที่ยงเลิกเข้าใจผิดแล้วเวทนาจะเที่ยงสัญญาสังขารและวิญญาณจะเที่ยงแล้วก็เจริญความรู้ไอ้ไม่เที่ยงไอ้ความรู้ที่ไม่รู้ว่ไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นข้อปฏิบัติทายังไงจะให้ความรู้ตัวเนี้มันเกิดได้บ่อยละ่ะมันเกิดได้บ่อยแลวเกิดได้มากเกิดจนเพียงพอที่จะเบื่อหน่ายและคลายกำหนับเนี่ยนะเกิดจนเพียงพอที่จะเบื่อหน่าย ควรแท้ที่จะเบื่อหน่ายควรแท้ที่จะคลายกำหนัดเนี่ยนะเมื่อใดแค่ไหนและอย่างไรนั่นะก็ต้องบอกใจเราเองว่าแค่ไหนเราจึงจะเจริญพอแล้วก็ถ้าเจริญทุกขานุปัสสนาจริงก็ละสุขสัญญาได้เนี่ยนะเจริญเพราว่าเมื่อใดที่จะเห็นว่ารูปเนี่ยเป็นสุขไม่มีนี่นะเวทนาเป็นสุขสัญญาเป็นสุขสังขารเป็นสุขวิญญาณที่เป็นสุขที่แท้จริงไม่มีเพราะยะถาณิตังตังทุงทกขังสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้น เป็นทุกข์เนี่ยนะเป็นทั้งวิปริตนามะทุกข์สังขาระทุกข์เป็นตน้นเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ด้วยเพราะว่าสิ่งไม่เที่ยงบางอย่างนี่ฉันไม่ร้องให้โฮเลยนะว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ด้วยกว่าอาอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงแนตะบอกรถเราไม่เที่ยงด้วยนี่แม่ทาใจยากนะมันก็ต้องยอมรับว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์พิจารณาทุกอย่างนะเนะพราะว่าจนละความสําคัญหมายว่า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 มีโทษใช่ไห ม, มเมื่อใดเราจะเห็นทุกอย่างเป็นอย่างนั้นบ้างนะคือคือมันไม่มีคือเรียกว่าเครื่องหมายแห่งสุขก็เป็นอะไรนะเป็นรูปใบรูปหัวใจรูปอะไรแล้วก็ยิ้มแย้ ม, ยมรูปอะไรนะคือคือมันดูงามๆอ่ะนะ ด, ดูดูแล้วมีความสุขนะแต่ทีเนี้ยถ้ามีเครื่องหมายบางอย่างกระโหลกไข่เนี่ยนะแล้วเห็นคือทุกอย่างในถ้าเห็นแบบนั้นแสดงว่าทุกสิ่งนั้นอันตรายนะนั้นอันตรายมันไม่ได้น่าน่าสดชื่นฉันใด